เมื่อวานเราลงจับเขามาแล้วก็เย็นวันนี้นะเราก็มาอยู่ตีงเขาได้กลับมาใกล้ชิดกับภูเขาและป่าไม้ระหว่างทางจากเขาเมื่อวานนะจนถึงภูเขียนะภูเขาลูกนี้นะเรียกภูเขีย เราก็ได้รับความสุข ด, ดีๆหลายอย่างไม่เพียงแต่ได้รับอาหารได้รับน้ำได้รับาการเลี้ยงดูอย่างดีนะกชาวบ้านเรายังได้รับน้ำใจนะจากผู้คนสองข้างทางตั้งแต่ตีนเขาลงมาจนถึง วินาทีนีนะ้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆที่อรตมชา่ิทุกคนได้รับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะทั้งจากชาวบ้านแล้วก็จากทั้งวัดนะทั้งสามวัดที่เราได้ผ่านมาจนถึงตอนนี้ อัตอมาเคยไปเดินธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลา <c oughs> เริ่มตั้งแต่ปี39ทะเลสาบสงขลาก็เป็น เ, เป็นทะเลสาบที่สําคัญนะของอคนไทยไม่ใช่เฉพาะภาคใต้งเดียวแล้วก็การเดินธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลา ก็ใช้เวลานานนะไม่ใช่แค่8ปวันแต่ว่ายาตร็นาอาทิตย์บางครั้งก็เป็นเดือนแล้วก็มีปรากฏการณ์อย่างงที่น่าสนใจคือว่าช่วงที่เราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะข้าวปราอาหารที่จะบริรณ์ลเลยทีเดียวนะแต่ว่ายิ่งเราเข้าใกล้ความเจริญนะยิ่งเข้าใกล้ความเจริญ ไม่ว่าจะเป็นตำบลหรือว่าเป็นเมืองหรือเป็นอำเภอเนี่ยข้าวปลาหาก็ค่อยลดลงลดลงลดลงนะทั้งที่เมืองเนี่ยก็มีคนเยอะนะแต่ว่าทําไมข้าวปลาหามันลดน้อยลงก็ไม่ทราบนะก็เป็นอยู่หลายปีนะจนกระทั่งเป็นที่รู้กันนะว่าถ้าเราจารลี้อยู่ในหมู่บ้านมีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องข้าวปลาหาเท่าไหร่ แต่ว่าปรากฏการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะกับธรรมยาตาไม่ว่าเราจะลงไปที่ชัยภูมิหรือว่าลงไปที่แก้งเคราะห์อเมื่อปีที่แล้วหรือว่าลงมาที่เกษตรสมบูรณ์กับตรงนัท่ามเลยซ้ำนะถือว่าพอยิ่งเข้าใกล้ความเจริญก็อาหารก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่ามีคนจากหลายที่หลายแห่งมาต้อนรับรวทั้งชาวบ้านเองด้วย อันนี้ก็สะท้อนถึงน้ำใจของอชาวบ้านอาจจะเป็นลักษณะเด่นของอีสานก็ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะเด่นของอผู้คนที่อยู่รายรอบผูแลนคาก็นา่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะที่เชื่อว่าคงจะประทับใจพวกเราช่วงเช้าเราก็เดินมาด้วย ความสุขสบายนะไม่รู้ว่ารู้สึกมือ่อธรมาเราคือสบายนะอากาศเย็นสบายมีลมพัดมาเบาๆบางช่วงก็มีละอองฝนโปรยปรายลงมาทําความชุ่มชํานะสองข้างทางก็สวยงามมากนะเป็นถิวเขาที่ขนาดขนาดเรานะด้านขาวาก็เป็นภูแรงขาด้านซ้ายก็ภูเขียวไม่เคยเห็นภูเขียวจากมุม น, นี้มาก่อน ปูแรงเท้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกั น, นจากมุมนี้แล้วก็ยิ่งปูขีด้วยแล้วในตะกอนเนี่ยเห็นแต่เห็นแต่ไกลๆนะแล้วดูมันไกลจนก็เรียกว่ากลายเป็นห่างเหินไปเลยเพราะว่ามุมที่เรามองเห็นปูขีเนี่ยเรามองจากหาเรียกว่าหาศรีวิไลซึ่งพวกเราจะไป เมื่อลือนี้และถ้าได้ไปเห็นภูขียจากบุมนั้นเราจะรู้สวมันมันห่างไกลามากเพราะว่ามันมันก็มีเหวอยู่ขั้นกลางนะจากหน้าผาไปเนี่ยถ้าเดินต่อไปก็ตกลงไปเลยนะลงเหวไปเลยนะและมันดูไกลามากนะจะมีแต่นกเท่านั้นแหละที่สามารถจะไปถึงภูเขีได้จากจากผาสีลายนะแต่ตอนนี้ภูเขียดูใกล้มากเลยนะ ชนดที่เอื้อมมือถึงเลยนะก็เป็นเป็นมุมที่ในส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่ใกล้ชิดมากคนะผู้ขี่ในมุมนี้ตอนบ่ายนี่เราก็เดินนะเดินแดด ก, ก็แรงนะทางก็ก็ไม่ไกลมาก แต่ว่าสำหรับบาาคนที่ไ่พูดเดินใหม่ๆในยุคสมันไกลอันนี้มันเป็นถ้าเรียกภาษาสมัยใหม่เป็น feeling ของธรรมยาราก่อนหน้านี้เลยนะแบบเดิมๆจะเป็นอย่างนี้นะเป็นธรรมเป็นบรรยากาศธรรมยาราแบบคลาสสิกเลยนะถือว่าเจอแดดนะเจอแดดอะไรเต็มๆเลยนะ และแตก่อนหรือข้างกอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะกลางวันนะเรียกว่าทั้งวันทั้งเช้าทั้งกลางวันนะอันนี้เป็นบรรยากาศของธรรมยานตาแบบคลาสสิ ก, กนะซึ่งพวกเราก็ได้เพิ่งมาได้สัมผัสกันจริงๆเนี่ยก็เมื่อบ่ายนี้เองหลายคนก็จะรู้เออโชคดีนะที่เพิ่งมาเจอเอาตอนบ่าย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ร้อนๆแบบนี้แหละนะที่มันฝึกใจเราได้มากทีเดียวนะมันได้ฝึกให้เรานะรู้จักที่จะรับมือนะกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศรีรษะจนถึงเท้านะแต่ว่าเราจะทำยังไงใจไม่ทุกข์นะ ทำไมไเราจะเดินได้อย่างสนุกนีอย่างที่หลวงพ่อท่านได้พูดว่าเนี่ยเมื่อท่านป่วยเนี่ยท่านสนุกป่วยนะคือท่านป่วยกับสบายทั้งที่อาการป่วยของท่านนี่ก็หนักนะแต่ท่านป่วยแบบสบายสบายเพราะมีความเป็นส่วนตัวนะสบายเพราะได้เห็นอ่าตายรักมาแสดงออกมานะให้ได้เรียนรู้ สบายเพราะไม่ต้องลดน้ําต้นไม้ไม่ต้องสอนที่จริงเนี่ยท่ามีความสุขการสอนกรรมฐานนะมีความสุขการลดต้นไม้นะแต่ว่าเมื่อไม่ได้สอนไม่ได้ลดตน้นลดน้าต้นไม้ท่านก็มองอีกแง่หนึ่งว่ามันก็ดีเหมือนกันนะได้สอนกรรมฐานได้ลดน้าต้นไม้เป็นความสุขส่วนตัวของท่านแต่ถึงไม่ได้สอนไม่ได้ลดน้าต้นไม้เพราความเจ็บป่วยมา มาบังคับให้ต้องอยู่โรงพยาบาลท่านก็สามารถที่จะมองเห็นว่ามันก็ดีเหมือนกันก็คือมีความเป็นส่วนตัวคือไม่ว่าท่านอยู่ในภาวะไหนท่านก็เห็นว่าดีไปหมดนะแลพวกเรานี่ก็สามารถจะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนะเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นสนุบป่วยนะแต่ว่าเราพอที่จะฝึกใจให้ สนุกเจ็บได้ไหมสนุกปวดได้ไหมสนุกเมื่อยได้ไหมนะคือถึงแม้เจ็บถึงแม้ปวดถึงแม้เมื่อยก็ยังสนุกสนุกที่จะหาวิธีในการที่จะยกจิตออกจากความเจ็บความปวดความเมื่อยนั้นปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกายไปนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะเมื่อยก็เป็นเรื่องของกายไปแต่ว่าใจเนี่ยนะ ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยตามไปด้วยแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าการพยายามที่จะหาวิธีที่จะยกจิตให้อยู่เหนือความเจ็บความปวดความเมื่อยของกายเนะี่ยมันก็น่าจะทำให้เราสนุกได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องท้าทายนะอะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันยากเนะี่ยถ้าเราได้ปลุกปั้มกับมันนะมันก็ชวนให้สนุกได้เหมือนกัน และถ้าหากว่าเราสามารถจะสนุกเจ็บสนุกปวดสนุกเมื่อยได้ไหถึงเวลาเราป่วยอย่างท่านเนี่ยเราก็พอจะป่วยได้อย่างสนุกได้ไดเหมือนกันหรือว่าป่วยได้อย่างสบายการเดินธรรมยาตรานะมันเป็นการที่จะพาเราเนี่ยเข้ามาเผชิญกับความทุกข์ คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเจอความทุกข์แล้วก็อยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะเลี่ยงแต่ไม่ว่าเราจะหนีเราจะหลบจะเลี่ยงเพียงใดเราก็ไม่มีวันที่จะหนีพ้นยังไงก็ต้องเจอถึงแม้ว่าเราโชคดีไม่รู้หรือว่าจจะโชคลายก็ได้นะเอาว่าโชคดีไว้ก่อนนะเราโชคดีที่มาอยู่ในยนุคนี้ที่มันมีความสะดวกสบายทางวัตถุมีความสะดวกสบายทางกายมาก ก็ทำให้เราต้องไม่เจอไม่ต้องเจอความทุกข์กายความลําบากกายเหมือนกับคนสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราแต่ไม่ว่าเราจะสะดวกสบายอย่างไรนะความจริงอย่างหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นก็คือว่าเราต้องเจอความทุกข์เราต้องเจอความยากลาบากเราจะหนีความเจ็บความปวดอย่างไรก็หนีไม่พ้นวันนึงก็ต้องเจอและยัต้องเจอหลายครั้งหลายโอกาสด้วย เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องป่วยทั้งนั้นนะและในระหว่างนั้นเนี่ยก่อนนั้นนะก็ต้องเจอความไม่สะดวกนะเจอความติดถัดหลายอย่างเช้าว่าเราคิดแต่จะหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วพอถึงเวลาที่เราต้องเจอเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรนะเราจะรับมือความไม่สบายกายได้อย่างไรนะ เราจะรับมือความเจ็บป่วยได้อย่างไรไอ้วันนั้นเนี่ยมันมาถึงแน่ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามบางคนต้องเจอหลายครั้งบางคนอาจจะเจอครั้งเดียวแล้วก็จบเลยก็คือตายไปเลยนะแต่ถ้าเกิดรอดก็ยังต้องเจ อ, อีกหลายครั้งอันนี้คือความจริงที่เราต้องยอมรับหนีไม่พ้น เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีควา ม, ม, มทุกข์เป็นเบื้อง ห, หน้าแล้วอันนี้คือพุทธภาษิตนะที่เราได้สาธยายอยู่เป็นประจำทุกเช้าธรรมวัตเช้าที่นี่เนี่ยเกิดทุกเช้าเนี่ยเราจะสาธยายตอนนี้หลยนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์ที่ว่านี่ ที่แน่ๆคือทุกกายไม่มีใครหนีพ้นนะถึงแม้วันนี้ไม่เจอวันหน้าก็ต้องเจอนะมันไม่ใช่แค่ความเจ็บความป่วยนะอาจจะรวมถึงความร้อนความหนาวความหิวนะความปวดความเมื่อยนะไอ้พวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากเกิดขึ้นทีมากแล้วก็กําลังเกิดขึ้นกับเราตอนนี้ก็ได้นะซึ่งถ้าเรามอให้ดีเนี่ย ความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้หรือที่ได้เกิดขึ้นกับเรามาแล้วระหว่างเดินเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้เรารู้จักที่จ ะ, ะเผชิญกับมันได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ความทุกข์กายบางอย่างมันหนีไม่พ้นนะด้วยเหตุหลายอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยความปวดความเมื่อยคือสิ่งที่เราต้องเจอนะเพราะว่าเราต้องนั่งอยู่ในท่า น, นี้แม้เราจะขยับ แข่งขยับขาก็ช่วยผ่อนคลายความปวดความเมื่อยได้ชัวคราวแล้วมันก็ปวดเมื่อยใหม่นะแล้วเราก็ขยับอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองไม่ขยับดูนะความปวดความเมื่อยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่จริงเนี่ยตรงนั้นแหละนะคือการบ้านที่จะฝึกให้เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ โดยใจไม่ทุกข์ให้ความทุกข์เป็นเรื่องของกายไปแต่ใจไม่ทุกข์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ทําแค่นั้นหรือเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่เพียงแต่จํากัดเราจะไม่สามารถจํากัดความทุกข์ให้มันอยู่แค่กายความทุกข์มันก็ลามไปถึงใจแทนที่มันจะเป็นความทุกข์กาย มันกลายเป็นความทุกข์ใจไปด้วยใจก็บน่นตีโพยตีพายใจก็ปฏิเสธผักใสไม่ชอบมีอาการชังเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ปล่อยให้เป็นเป็นความทุกข์ของกายแต่ว่าเราไปสําคัญบรรทหมายว่าเราทุกข์เราไม่ปล่อยให้มันเป็นความปวดความเมื่อยของกายแต่เราไปสําคัญบ่รหมายว่าเราปวดเราเมื่อย มันมีตัวเรานี่เข้าไปเป็นเจ้าของความปวดความเมื่อยทันะ้งที่มันไม่ใช่ความปวดของเราเลยนะมันเป็นความปวดของกายของของเท้านะแต่ว่ากลับไปเอาความปวดมาเป็นของเรามาเป็นตัวเรานะ้านใจก็เลยปวดเสียที่จริงเนี่ยหลวงพ่อท่านได้พูดไว้ น, ะน่าสนใจนะว่าไอ้ความสึกตัวนี่สาคัญมาก เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัวเราปล่อยใจให้หลุดเข้าไปอยู่กับความปวดความเมื่อยจมหายเข้าไปในความปวดความเมื่อยแต่ถ้าเราลองที่จะอยู่ออกับความรู้สึกตัวนะให้ความปวดความเมื่อยของกายก็ทาอะไรใจไม่ได้การอยู่ออกับความรสึกตัวนี่สำคัญมากเลยนะ เป็นเพราะเราอยู่กับความสุดตัวไม่เป็นนะจมันก็เลยจมหายอยู่ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะเป็นทุกขเวทนาไม่ว่ามันจะเป็นอารมณ์เศร้าโกรธเกลียดนะท้อสิ้นหวังนะอารมณ์เหล่านี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเพื่อที่จะสอนเรานะมันมีเพื่อที่จะสอนเราให้เห็น ไกรลักเป็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่จีิรังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเรามักจะไม่เปิดใจที่จะเห็นธรรมะจากอารมณ์เหล่านี้รวมทั้งจากทุกขเวทนากับปล่อยใจให้จมหายเข้าไปในอารมณ์ในทุกขเวทนานั้น ลองฝึกมาอยู่กับความรู้สึกตัวดูนะเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะก็คือการถอนจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นถอนจิตออกมาจากทุกเวทนามันก็จะเกิดภาวะที่เป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูเห็นเวทนานั้นเกิดขึ้นกับกาย แล้วมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นแต่พอเราไม่รู้สึกตัวก็เหมือนกับว่าเรากระโจนลงไปในกลองไฟในกลองเพลิงและกองเพลิงเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันช่วยให้ความสว่างทําให้เราเห็นสิ่งที่อยู่รอบกลองเพลิงกลองไฟนั้นแต่โดยเพราะความหลงความลืมตัวเราก็เลยเป็นเหมือนแมงเม่านะบินเข้ากลองไฟอันนี้เรียกว่าไม่รู้สึกตัวก็เลยจมหายไปในอารมณ์ แต่ความรู้สึกตัวนี่มนช่วยทำให้เราเนี่ยดึงจิตออกมานะเมื่ออยู่ความรู้สึกตัวหรือตั้งจิตอยู่บนฐานรู้นะมันก็จะช่วยกอบกู้ใจจากอารมณ์ได้นะถ้าเราตั้งจิตอยู่บนฐานรู้นะมันจะกอบกู้จิตออกจากอารมณ์กอบกู้ใจออกจากความทุกข์ได้ไอนะ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่ใจนี่มาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเอง ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เพราะมีสติเพราะถ้าไม่มีสติใจมันก็จมเข้าไปในอารมณ์บ้างหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างนะมันไม่อยู่นิ่งเลยแนละ้วมันก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยนะธรรมชาติของใจโดยเพอเมื่อไรสติมันไหลไปอดีตมันลอยไปอนาคตพอลอยไปอนาคตก็เกิดความวิตกกังวลพอไหลไปอดีตก็เกิดความเสียใจ เกิดความอะไรเกิดความโกรธโดยเพรเมื่อ น, นึกถึงคนที่เขาพูดร้ายทําร้ายเราบางทีก็ทําให้เกิดความสิดผิดเมื่อ น, นึกถึงความไม่ถูกต้องที่เราเคยกระทํากับคนที่เรารักหรือความผิดพลาดในงานการนะอันนี้ก็ทําให้เสียใจขุ่นเคืองใจพอไหลายไปดีลอยไปหนากคนละสุดท้ายก็จมหายก็ไปในอารมณ์ แต่พอเรามีสติเรารู้ทันนะว่าใจเผลอไปแล้วหลายแปดีแล้วลอยไปนาคแล้วจมเข้าไปในอารมณ์แล้วดึงออกมาจิตกรมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะอาหลณ์พ่อท่านเน้นเรื่องความรู้สึกตัวมากที่จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระุทธเจ้าได้สอนน ะ, ะมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราเพิ่งสาธยายกันเมื่อสักครู่นะก็จะมีตอน หนนะที่พูดถึงเรื่องการมีสติในกายและการมีสติในกายอันนึงก็คือการที่ให้เราหมั่นทําความรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวเมื่อมองไปข้างหน้าเมื่อเหลียวซ้ายแลขวานะเมื่อคู่เหยียดเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคู่ขาเหยียดขาไม่ว่าจะทรงสะบงจีวรบาท ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหลับนะหรือว่าตื่นพูดไม่ว่าจะอุจจ ร, ระปัสสวะนะหรือว่ากินดื่มเคี้ยวลิ้มแนะม่ว่าเราจะทำอะไรแมนะ้กระทั่งตอนที่เราตอนนี้เรานั่งอยู่ตอนนี้เราฟังอยู่เราก็สามารถจะทำความสุขตัวให้เกิดมีขึ้นได้และถ้าเรามีความสุขตัวเนี่ยความปวดความเมื่อยมีก็อยู่ก็จริง นะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความปวดความเมื่อยของกายนะใจก็ยังเป็นปกติได้แล้วถ้าเราเอาความสึกตัวนี้ไปใช้กับการเดินนะเดินกลางแดดนะแดดมันจะร้อนยังไงมันก็ร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้บางครั้งใจก็เผลอนะลืมตัว จมเข้าไปในความทุกข์เข้าไปในความร้อนบางทีเท้าเจ็บเท้าคองมันก็จมเข้าไปในทุกขเวทนานั้นอันนี้เรียกว่าลืมตัวแล้วอันนี้เราไม่มีสติแล้วแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยอ่ามันดึงออกมาเลยนะมันดึงออกมาดึงออกมานะจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขตัวก็เห็นนะความปวดความเมื่อยอยู่ห่าง เหมือนกันเรามองกองไฟที่อยู่ข้างหน้ายิ่งมันยิ่งเราอยู่ห่างจากกองไฟเท่าไหร่ความร้อนจากกองไฟนั้นก็ยิ่งทำอะไรเราไม่ได้ไม่รู้สึกร้อนกองไฟยังมีอยู่แต่ว่าไม่ไม่ร้อนไม่ทุกข์แล้วความปวดความเมื่อยของกายยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์เพราะว่าเราเป็นผู้ดูเรามีสติเรามีความสึกตัว ความสุดตัวที่ว่าเป็นความสุดตัวทั่วพร้อมนะเป็นความสุดตัวทั่วพร้อมหรือบางทีก็เลยสัน้นๆเป็นความรู้ตัวคนเราทุกเนี่ยเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตั้งแต่ไม่รู้ตัวตั้งแต่ตตแตพอไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าใจไปนึกถึงเรื่องในอดีตหรือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะ เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลุ่มอกกุ่มใจอันนี้เรียกว่านะลืมตัวแล้วนะไม่รู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรมันก็ทำให้ใจทุกข์ทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะว่าใจทุกข์ใจวิตกกังวลนะแต่ถ้ารู้ตัวมันก็ยังสามารถเทียดดึงจิตออกมาได้เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือว่าทางออกจากทุกข์ แทงทุกข์หรือว่าการที่จมในทุกข์เนี่ยเป็นมาเป็นเพราะว่าความไม่รู้ตัวเป็นเป็นเป็นุญแจสำคัญเลยเป็นปัจจัยสำคัญนั้นถ้าเราถ้าเร า, อาลองหมัน่นเจริญสติสร้างความสุขตัวนะแม้ว่าป่วยนะก็สามารถที่จะสนุกป่วยได้ ไม่ได้ทุกข์อะไรนะอาจจะก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันสบายซะ อ, อีกนะอย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะมีความเป็นส่วนตัวนะที่จริงก็อยู่ตรงนั้นนี่ก็ไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวมากเท่าที่เราคิดนะแต่ว่าท่านก็รู้สึกว่ามันสบายนะแต่เมื่อหายท่านกลับไปที่วัดนะ ท่านก็มีความสุขกับการสอนลูกศิษย์ก็มีความสุขกับการรดน้ําต้นไม้รดน้าต้นไม้หลวงพ่อทำแม้กระทั่งตอนท้ายๆของของชีวิตท่านนะพอท่านมีกําลังท่านก็มารดน้ําต้นไม้รดน้ําได้สักพักาท่านเหนื่อยแล้วท่านก็กลับเข้าที่พักเรื่องความสุขตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะฝึกขึ้นมาได้นะ ในระหว่างที่เดินธรรมยตรามันจะเป็นอุปกรณ์นะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ช่วยให้เรารเผชิญกับความทุกข์ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวนะสมาธิก็ช่วยได้นะสมาธิก็ช่วยทำให้เรารับมือกับความทุกข์ได้เวลาเจ็บเวลาปวดไม่ว่าสมมติว่าปวดที่เท้าปวดที่ขาเราลองมามีสมาธิอยู่กับการบริกรรมนะอยู่กับการนับ ก, ก้า ดอการบริกรรมพุโทโธซ้ายขวาอาจจะเป็นซ้ายขวาธรรมดาหรือว่าซ้ายทนได้ขวาสบายมากนะหรือว่าเอาจิตมากำหนดอยู่ที่อยู่ที่เสียงกลองก็ไดไ้การตีกรองนี่มันมีความหมายนะไม่ใช่ตีเพื่อประกาศให้ชาวบ้านรู้ก่าคณะธรรมยาตามาเท่านั้นอันนั้นไม่สำคัญหรอกเพราะว่าบางครั้งเราเดินในป่าไม่มีชาวบ้านที่จะรับรู้การมาของเราแต่เราก็ยังตี เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสำหรับให้นักเดินเนี่ยเอาใจมากำหนดที่ตรงนั้นนะพอใจกำหนดอยู่ที่เสียงกรองแล้วเนี่ยไอนะ้ความเจ็บความปวดที่เท้าที่ททร่างกายมันก็ทุเลาลงที่จริงไม่ได้ทุเลาหรอกมันเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนกับว่าเราลืมความเจ็บความปวดพาใจไปอยู่ที่เสียงกรองบางช่วงนะบางปีเนี่ย กรองแตกนะก็เลยตีกรองไม่ได้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยกรองแตกไปใบนึงแล้วนะแต่ยังมีกรองเสริมบางปีนี่ยเงียบไปเลยนะและคนเดินจะรู้สึกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไม่มีกรองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติเหนื่อยกว่าตอนที่มีกรองเพราะอะไรเพราะว่าพอมีเสียงกรองเนี่ยจิตไปกำหนดที่เสียงกลองหรือว่าจิตไปไปเพ่งอยู่ที่ตรงเสียงกลองเนี่ยมันก็ทาให้ความปวด นะหรือทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ไมรบกวนจิตใจเท่าไหร่อันนี้ก็เรียกว่าใช้สมาธิในการที่จะรับมือัความความปวดนะซึ่งถ้าใครมีสมาธิดีเนี่ยนะก็สามารถที่จะรับมือความปวดได้ร่างกายปวดก็ปวดไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยนะแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่จาเป็นไม่ต้องเป็นนักภาวนาแบบเข้มข้นนะ บางคนไม่เป็นนักภาวนาเลยเนี่ยก็สามารถใช้สมาธิรับมือกับความเจ็บได้คุณหมอมาลามาลรลาเคยเล่าว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อายุสีสกว่ามะเร็งลุกรามไปถึงกระดูกแล้วเป็นมะเร็งระยะที่สามคนไข้เนี่ยนะปวดจนกระทั่งนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็นั่งแบบงอกรอ ง, งอขิงเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยาเอาไม่อยู่นะ นะคุณหมอเห็นก็สงสารเพราะคนไข้เนี่ยตัวปากซีดเหงื่อเนี่ยเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยนะตัวซีดมีความทุกข์มากคุณหมอมื่กลาวก็เลยชวนคนไข้เนี่ยภาวนาคนไข้ไม่เคยภาวนานะคุณหมอก็เลยแนะนำหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท หายใจเข้าพูดหายเจเอาโทเอาจิตมากําหนดอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็บริกรรมไปเพุโทโธพุโทโธทีแรกก็นึกว่าคนไข้คงทําได้สักห้านาทีเพราะว่าไม่เคยทําสมาธิมาก่อนเลยเป็นหมอเป็นอาจารย์แพทย์นะเรียกว่าห่างไกลวัดมากแต่5นาทีผ่านไปค น, ข น, นไข้ก็ยังนั่งสมาธิผ่านไป10นาที20สนาทีก็ยังก็ยังนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ยิ่งนั่งก็ยิ่งดีหลังก็เริ่มตรงแต่ผ่อนคลาย กพว่าคนไข้นั่งไปถึงห้าสิบนาทีแล้วพอเปิดตาขึ้นมาก็ยืมแย้งเลือดลมก็ดีเลยนะปากเป็นสีชมพูเลยเหงื่อก็หายความปวดนี่เรียกว่าทุเราไปเยอะเลยแล้วคุณหม อ, อที่ความปวดทุเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนไข้เขาพอมีสมาธิกับลมหายใจแล้วก็ลืมปวด ความปวดยังมีอยู่นะแต่ลืมปวดแต่ว่าพอมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เขก็บอกว่าพวกว่ามันมีการหลั่งสารบางอย่างที่ช่วยทำให้ความปวดทุดเราไอสารตัวนี้ก็ไปทำให้ความปวดที่ที่กระดูกที่ท้องเนี่ยทุดเราลงก็เลยรู้สึกยิ้มแ ย, ย้มผ่อนคลายนะคุณหมอเมื่อก็แปลกใจว่าคนไข้เนี่ยไม่เคยทาสมาธิเลยนะแต่ทำไมถึงทำได้นานถึง50นาที ตอั้ที่ปวดมีทุกขเวทนาบีกคันก็ได้ทราบความว่าคนไข้คนนี้เนี่ยแกมีสมาธิกับงานมีสมาธิกับการสอนมีสมาธิกับการทำอ่านหนังสือมีสมาธิกับการทำวิจัยในสมาธิที่ใช้ในงานนี่แหละพอเอามาใช้กับการตามลมหายใจมันก็เป็นเรื่องเดียวกันและพอมีสมาธิกับลมหายใจความปวดก็ทำอะไรจิตใจ ของคนไทยไม่ได้อันนี้ก็เป็นอนันสงของสมาธินะที่ใช้รับมือกับความเจ็บปวดได้สติก็ดีสมาธิก็ดีความรู้สึกตัวก็ดีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สําคัญนะที่เอาไว้รับที่ใช้ในการรับมือนะกับความปวดคนส่วนให ญ, ญ่เวลาปวดเนี่ยใช้แต่ขันติคือความอดทนกัดฟันนะกัดฟันทนอดทนซึ่งก็ดีนะแต่ว่า อ ย, อย่าใช้แต่ขันตินะลองใช้สติดูด้วยนะสตินี่มันทาให้อยู่ออกับความปวดได้โดยที่ไม่ต้องกัดฟันทนนะสมาธิก็ช่วยทําให้อยู่ออกับความปวดได้โดยที่ใจไม่ทุกข์อะไรนะบางครั้งเนี่ยนะเราไม่สามารถจะขับไล่ความปวดได้เราไม่สามารถจะลดความปวดได้โดยเพราะถ้าเป็นโรคที่แรง ยาละงับปวดก็เอาไม่อยู่นะถึงตอนนั้นแหละเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ออกับความปวดแต่ถ้าไม่งานเราจะอยู่ได้โดยใจไม่ทุกข์นะสะติสมาธิแล้วก็ปัญญาช่วยได้เยอะนะปัญญานี่ก็หมายถึงความเข้าใจนะในเรื่องในความจริงของกายและใจเพียงแค่เห็นว่ามันเป็นธรรมดา เป็นธรรมดาของชีพเป็นธรรมดาของสังขารก็ช่วยทำให้อยู่กับความเจ็บความปวดได้พอใจไม่ผักใสก็เลยไม่ทุกข์ยิ่งถ้ามีปัญญาเห็นถึงเห็นเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นะยิ่งสบายใหญ่คราวหนึ่งเนี่ยพระเจ้าไปไปเยี่ยมอุบาสกคนสำคัญคนหนึ่งชื่อนักปูลบิ ด, ดาพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าให้ท่านพึงสสำเนีอย่างนี้ว่า แม้กายเราปวดแต่ใจเราไม่ปวดด้วยบางคนก็แปลว่าเมื่อกายเราแม้กายเรามีโรครุมเรา้าแต่ว่าใจไม่มีโรครุมเรา้าแม้กายกระสับกระส่ายแต่ใจไม่กระสับกระส่ายนะนักบุญมีดาฟังแล้วก็ปิติมากความปวดก็ทุ่นเราแล้วก็ต่อมาพระสารีบุตรก็มาเยี่ยมแล้วก็ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านนักบุญมีดาก็อธิบายเนี่ย ว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะกายมีโรครุมเราแต่อย่าให้ใจมีโรครุมเราอล น, นักบุญมีดาก็ถามว่าทําอย่างไรพระสารดุลก็อธิบายว่าเนี่ยว่าที่คนเราเนี่ยกายป่วยและใจป่วยด้วยเนี่ยเพราะไปสําคัญบัญหมายว่ารูปเป็นเราเป็นของเรานะเราก็ทาก่าั้งอธิบายจําแนกต่อไปว่าเวทนาเวทนาสังหาวิญญาณเหมือนกันเมื่อไปยึดมัน่นถืว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกข์ แต่ถ้าหากว่ า, าเมื่อไปยึดมั่นว่ารูปเป็นของเราแล้วรูปนั้นแปรปรวนนะก็จะไม่ใช่แค่ป่วยแต่กายแต่ใจก็ป่วยด้วยแต่ผู้ที่ไม่สําคัญยึดมั่นว่าเป็นเราไม่ยึดมนว่ารูปเป็นเรารูปก็คือกายนะเมื่อรูปแปรปรวนไปนะก็ไม่มีความโศกความ ร, ำร่ำไรลำพานความไม่สบายใจความทับแค้นใจไม่มี ทุกทรมนับไม่มีอุปายาก็กคือไม่ป่วยใจนั่นเองอันนี้ก็คือการที่ใจไม่ป่วยเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจถึงไตลักษ์นะของรูปเวทนาสัญญาสังหารวิญญาณที่จริงเห็นแค่รูปว่าเป็นไตลักษ์เือ น, นิจจังทุกขารัตนตาไม่ใช่เราเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะอันนี้ก็ เป็นปัญญาที่จะช่วยทำให้เรารับมือกับความทุกข์ได้โดยที่ใจไม่ทุกขนะ์สติความรู้สึกตัวสมาธิปัญญานะมันจะช่วยเราได้มากทำให้เราสามารถจะอยู่ออกับความทุกข์ได้โดยที่ใจไม่ทุกขนะ์แน่นอนนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดการกับความทุกข์ลดความทุกข์ได้มันก็ดีนะ แต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะบรรเทาไม่สามารถที่จะลดมันได้ตลอดนะคนที่ป่วยเป็นป่วยเป็นมะ เ, เมร็งเนี่ยก็ปวดมากเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้ามีสติสมาธิปัญญามีความสึกตัวมันปวดก็ปวดไปเป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยใจไม่ทุกข์ด้วยอันนี้เป็นวิชาที่สำคัญมากนะ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากธรม ร, ธรมยาราธรรมยราเนี่ยมันคือการที่พาเราเข้าไปเจอทุกเข้าไปหาทุกแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับทุกอย่างไรโดยใจไม่ทุกนะเราจะอยู่กับแดดที่ร้อนนะเท้าที่เจ็บแต่ต้องก้าวเดินต่อไปได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกเราจะอยู่กับความปวดความเมื่อยได้อย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกนะ เจอทุกแต่ใจไม่ทุกนะอันนี้มันเป็นเท่นดับเป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตที่เราต้องเรียนรู้และธรรมยาตานี่ก็เป็นโอกาสจะให้เราเรียนรู้วิชานี้ได้มากทีเดียวถ้าตั้งใจจะเรียนรู้นะนะนี่ก็ฝากเอาไว้นะเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อีก2วันน ะ, ะแล้วก็คำนี้ก็พูดในเท่า น, นี้การรับความกัน <c oughs> เออนั่งสมาสงบ